<c oughs> มาพ้องไปหมดทุกคนอน่างหลังจากไหว้พระทำวัดเจริญพระมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลเสร็จแล้วก็ให้พวกเราพระสงฆ์องค์เด่นตลอดถึงอุบาร์โจบุบาศิกาทุกท่านทุกคน ทำหน้าที่ของพวกเราหน้าที่ของพวกเราคือสร้างความดีของพวกเราเพิ่มปริมาณความดีของพวกเราให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นโดยเฉพาะวันนี้วันที่12ของเมษายน พศ2554วันที่ 12-13 ทุปีเมษายนเป็นเทศกาลของชาวไทยทั่วประเทศอันนั้นก็คือวันตรุษสงการความายภาษาแบบไทยไทยเ่าคือวันขึ้นปีใหม่ของแบบไทยไทย วันลำเลิกเนิกถึงผู้มีพระกลุลพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาญาพี่น้องต <c oughs> ามปะกติจิจกรรมสำหรับประเทศไทยคนไทยลังส่วนมากทำงานทำการเกี่ยวกเกษตรก ร, รเกษตรกรรม ฉะนั้นวันพักผ่อนทางด้านจิตใจเป็นประเพณีนำเลิกนึกถึงผู้มีพระคุณมีการลดน้ำดำหัวเยี่ยมยานถามข่าวพูดจาปาศัยในฐานะในความูกพันในความรักความเมตตาความรักความเคารพ นอกจากนั้นแล้วจะเป็นมรารยาทที่แสดงความเล่นเดิงบันเทิงในการแสดงออกฉะนั้นการแสดงออกเพื่อไม่ให้มีการกระทบแก่ตนและบุคคเอื่นอยู่ในอบเขตขงความถูกต้อง ประเทศไทยคนไทยทั่วประเทศมีค่านิยมความนิยมจิจกรรมโดยจะพาะก็เล่นน้ำสาดน้ำลดน้ำกันในหมู่ในเพื่อนทั้งหญิงทั้งชายแล้วจิจกรรมอะนนีถ้าดูดูฟังฟังแล้วไม่ใช่จชอบเฉพาะคนไทยในประเทศ ยกนี้สมัยนี้ต่างชาติต่างประเทศก็ามาเห็นกิจกรรมมาเนี่ยเขาก็ชอบเป็นกิจกรรมที่แสดงออกในการความสนุกเล่นความสนุกสาดน้ำลดน้ำถ้าเผื่อไม่ได้มีกิจกรรมอยู่กับขอบเขตของการเวลา โปรดสงการเนี่ยจะไปทำอย่างนั้นไม่ได้แต่ความไม่ยินดีไม่พอใจขึันดีดและแตอนนั้นจิจกรรมนี้เป็นจิตกรรมเป็นกรณีพิเศษไม่มีการกระทบกระเทือนผูกกรรมจองเวรกันนี่จะเรื่องสนุกกางแสดงออก รถน้ำเปียกปอนทัน้งหญิงทั้งชายเสื้อผ้าไม่มีเช่นดีหรอกถ้ากว่าเป็นเรื่องเล่นะโนกกึ่ตามภาษาโลกถึงยังไงยังไงคำว่าบุญคนผู้มีพระคุณจะเป็นเรามาส่งน้ำพระตามขนทมเนียมประเพณีบางท้องถิ่น นอกจากนั้นแล้วจะลดน้ําดําหัวผู้เท่าผู้แจกผู้มีอายุพ่อแม่ปู้ย่าตายายการแสดงออกในความลำเลิกเนิกบถึงบุญถึงคุณความเคารพคารวะเป็นเรื่องแสดงออกซึ่งน้ําใจมารยาทที่เป็นน้ําใจเลือกเห็นบุญเห็นคุณ ตรงนี้แหละพระพุทธเจ้าจึงเทศนาสอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายที่พวกเราเนึกถึงบุญถึงกุณได้ชีวิตการเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ให้พวกเรารู้จักที่ไปที่มาเกิดมาได้ยังไงเป็นผู้เป็นคนตรงนี้ พระพุทธเจ้าตรัสจะรู้รู้แล้วด้วยรู้ด้วยพยานอย่างรู้คือรู้ความเป็นเทพบ่มีอะไรที่ปกปิดความรู้ของพระพุทธเจ้าว่าการเกิดของดวงจิตดวงใจดวงจิตดวงวิญญาณในโลกโดยเฉพาะโลกมนุษย์เนี่ยส่วนเที่เกิดเป็นรูปเป็นด้านแล้วก็คือมนุษย์ของเรา ยะสัตว์เดรัจฉานในน้ำบนบกส่วนที่ยังไม่ได้ เ, เกิดเป็นลูกเป็น่างดวงเกิดดวงวิญญาณแน่นยัดอัดแอกันอยู่เหมือนเข้าสารในกระสอบคอยจังหวะที่จะเกิดหาโอกาสจังหวะที่จะเกิดหาดตยาก ก็ฟังเรื่วดวงจิตดวงวิญญาณที่คอยเกิดแน่นยัดอัดแอก็อยู่เหมือนเข้าสารในกระสอบแต่แล้วพวกเรานั่งอยู่ที่นี่ไม่มีความรู้ใดๆที่จะสามารถมองเห็นดวงจิตดวงวิญญาณของคนอื่นสัตว์อื่น ไม่จำเป็นที่จะต้องพูดถึงดวงจิตดวงวิญญาณที่คอยจะเกิดจะมองเห็นขนาดจิตใจของพวกเราแท้ๆบุญพามาเกิดนะี่นะจนนั้นนะพบนี้ชาตินี้เกิดเป็นหญิงเป็นชายทุกชาติทุกวัน น, น่ะอันนี้บุญพาพวกเรามาเกิดขนาดบุญพาพวกเรามาเกิดแล้ว มองดูใจตัวเองเหอเห็นเป็นลูกเป็นล่างัหม <c oughs> ตรงนี้แหละถ้าไม่ได้มาได้ยินได้ฟังคำสอนพระพุทธเจ้าหรือคำสอนทันบู้รไม่รู้เลยว่าจิตใจคืออะไรดวงจิตดวงวิญญาณคืออะไร ฉะนั้นการเข้าวัดมาฟังเทศฟังธรรมเพื่อเป็นการศึกษาให้รู้จักที่ไปที่มาโดยเฉพาะมนุษย์คนเรารวมพวกเราเข้าด้วยทุกชาติชนวัฒนะเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ชาติใดภาษาใดก็ตาม ลระพุทธเจ้าตรัสจะรู้แล้วสรูกแล้วมนุษย์เกิดขึ้นมาในโลกนี้อาดิสงความดีอาดิสงความเป็นบุญแต่และท่านแต่และคนนำดวงจิต ด, ดวงวิญญาณดวงจิีรตดวงใจมาเกิดเป็นมนุษย์เดียวมนุษย์สมบัติ ถ้าเพื่อพวกเรามามวิเคราะห์ในเหตุผลนการเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์จะเป็นหญิงเป็นชายมากขนาดไหนโรคสมบัติสีสันบัณฑนาโรคร่างไม่มีใครเหมือนใคร ถึงเกี่ยวคนนั้นเหมือนคนนั้นก็เพียงแค่รูปลักษณ์ิดหน่อไม่เหมือนวัตถุที่ออกจากโรงเพิมด้วยที่เพิมแม่เพิมอันเดียวกันขนาดลูกพ่อเดียวแม่เดียวกันนั่นเหมือนกันไหมโดยเฉพาะ ใจที่มองไม่เห็นโลกไม่เห็นล่างในขณะ น, นี้พวกเราควรมาเรียนรู้จากคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าจิตใจที่พวกเรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้กับโลกร่างกายของพวกเรา ถ้าเผื่อรูปร่างกายของพวกเราไม่มีดวงจิตดวงใจไม่มีดวงวิญญาณรูปร่างกายของเราหรือคนอื่นก็าตามจะอยู่ลักษณะนี้ไม่ได้เมื่ออยู่ไม่ได้เราก็เรียกว่าคนตายคนตายนั่นแหละคือดวงจิตดวงใจดวงจิตดวงวิญญาณของเขาออกจากร่าง ลูกหลานเขาจุดเรียกวคนตายย้ำตรงนี้ให้พวกเราทุกท่านลูกหลานทุกคนได้เข้าใจความหมายคาสอนของพระพุทธเจ้าสอนว่านคนนั้นตายคนนี้ตายความจริงจิตใจไม่ไตายมันไม่ตายนะจิตใจดวงนี้ดวงจิตดวงวิญญาณจิตใจดวงนี้ไม่เคยตาย ไม่เคยแจ่ไม่เคยตายถ้าใจิตใจดวงนี้มันแ จ, จ่มันตายเป็นเอาพวกเราเกิดมาได้ยังไงอ่ะตรงนี้ เ, เป็นสิ่งที่น่ามีค้อน่าคิดเราจะได้เห็นคุณค้าเออด้วยคำว่าบุญคุณบุญคุณท่านผู้รู้สอนพระพุทธเจ้าสอนให้ทำบุญ ให้เห็นคุณค่าคำว่าบุญบุญคือความสมบูรณ์ในชีวิตบุญคือความสมบูรณ์ในสมบัติพวกเราเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์เดี่ยวเดี่ยวโูคสมบัติรูปร่างกายของพวกเราขาสองแขนสองศีรษะอวัยวะทุกรรสัดส่วนค่านิยมแบบโลกโลก ค่านิยมเขาต้องการโรคสมบัติผู้ชายก็ว่าโรคหล่อโรคงามผู้หญิงก็ว่าโรคสวยโรคงามถ้าเผื่อพวกเราแต่เราได้เนี่ยพวกเราจะไม่ปล่อยให้โรคร่างกายของพวกเราเป็นอย่างนี้ หรือพ่อแม่แต่งให้ได้ปู่ย่าตายายแต่งให้ได้พ่อแม่ทุกคนนั่นน่ะขึ้นชื่อว่าลูกมาอาศัยเกิดพ่อแม่จะแต่งให้สมบูรณ์แบบทุกคนทั้งหญิงทั้งชายจะไม่มีที่ต้องติดแต่แล้วทำไมจึงเป็นลักษณะนี้ ตรงนี้นี่เองพระพุทธเจ้าสอนว่าผลการกระทาอดีตชาติที่ผ่านมาการเว้นจากความชั่วความชั่วน้อยค่อยยชั่วหน่อยทำให้จิตใจเศร้าหมองน้อยทำให้โูกร่างกายเศร้าหมองน้อยบกพร่องน้อยค่อยย่นชั่วหน่อย ถ้าความชั่วมากคือเนี่ยเกียดตใจเศ้าหมองมากโลกร่างกายเกิดขึ้นมาโอ้ยน่าตรวจจงเวทก็แท้คนคนนั้นน่ะหนักหนกเข้าหูหนวดตาบอดแขนกดขาด้วนง่อยเปียเสียขาเลยทมเดะต้้นใจพิจารณาดีๆคนคนนั้นเขาต้องการอยากเป็นเกิดมาเป็นคนอย่างนั้น มีเคาะคำว่าบุญมีจริงบาปมีจริงแตหาะคำสอนของพระพุทธเ จ, าจ้าสอนเรื่องบุญเรื่องบาปฉะนั้นฟังแล้วโอ้ปนไหนกอน้อมเข้ามาดูลักษณะของความเป็นสมบัติดูเขาดูเราดูเร า, าดูเขาแล้วจะได้หายสงสัย เมื่อหายสงสัยแล้วก็ปลุกความสันนาน้มีนาผู้มีพระุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตาใหญ่สอนโลกสอนหลานลูกให้มีโอกาสเข้าวัดเข้าว่าฟังเทศฟังธรรมลกูกให้มีโอกาสใส่บาตรทาบุญมากน้อยก็เพื่ออะไร เพื่อสร้างความสมบรูรณ์ในความเป็นสมบัติโดยจะเพาะรูปสมบัติรูปร่างกายที่สมบูรณ์ไม่มีที่ต้องติวิชีสมบัติเป็นวาจาที่สมบูรณ์ถ้าวาจาไม่สมบูรณ์พูดออกเสียงโยเ็นไม่ไ้จักศัพท์ไม่รู้จักภาษาเดาใบ ถ้ามีอยู่ไม่เจมโนสมบัติคเคยเจียดใจมีจิตมีปัญญารู้ดีรู้ชั่วรู้เผ็ด ร, รู้ถูกจันนันเรื่องเจียดใจมโนสมบัติพระพุทธเจ้าสอนในความเป็นห่วง มนุษย์ทุกชาติชนวันนาเกิดขึ้นมาในโลกนี้ถึงจะบุญพามาเกิดก็เจียงอยู่แต่พวกเราเกิดขึ้นมายังเป็นสามัญชนยังเป็นปุจุชนคือหมายก็ว่ายังมีความโลภในใจอยู่มีความโกรธในใจมีความหลงในใจและมีความทะเยอทะยานอยากความรู้สึกความต้องการยินดี ในโลกในเสียงในกลิ่นในรสมีนี้ด้วยกันทั้งหญงทั้งชายฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มีในใจของมนุษย์คนเรารวมพวกเราเขาด้วยถ้าเผื่อพวกเราเม่ได้มาเรียนรู้ว่าตรงนี้ทำสอนของพระพุทธเจ้าสอนว่ามันเป็นภยัยความโลภที่มีในใจมันก็เป็นภัยทำให้ใจ เป็นทุกข์ความกรไม่มีในใจทำให้ใจเป็นทุกข์ความหลงมีในใจทำให้ใจเป็นทุกข์ทุกมากทุกน้อยมีความรู้สึกภายในจิตใจเกิดจากกิเลสโรคกวดหลงนี่ทั้งนั้นโดยจะเพาะส่วนเหตุอีกส่วนหนึ่ง ความตะเยอะตะยานจากความอยากได้ให้ดีชื่อเสียงเกียรติยศความยินดีพอใจได้ลวกในเสียงเหมือนอย่างพวกเรารเราเ ห, เห็นเป็นกันอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าสอนมาตั้งหานะั่นถ้าเพื่อใช้ไม่เป็นจี่นมันจะเป็นทภพมากมีไม่เป็นมันจะเป็นทภพมาก ใช้ไม่เป็นมีไม่เป็นความยินดีในรูปในเสียงในจิ่นในรสเพศตรงกันข้ามท่านจึงสอนให้เห็นบุญเห็นกุนมีขอบมีเฉดมีกระกกรรมเนียมประเพณีอย่าไปใช้เป็นมันก็เป็นประโยชน์ใช้ไม่เป็นไม่จะกลับเป็นโทษทุกทางกายทุกทางใจ ตรงนี้แหละถ้าเพื่อมนุษย์คนเราไม่ได้มาศึกษาที่ไปที่มาคำสอนของท่านผู้ธูกมันจะเกิดความประมาทผลจากการกระทำคือเนี่ยมันไม่ได้ไปปรากฏอยู่ที่อื่นอันดับแรกกับปรากฏที่ใจตัวเอง ทำผิดก็คือเป็นทุกข์ทุกกายทุกใจทำผิดน้อยดีความทุกข์กายทุกใจน้อยทำผิดมากยิ่งมีความทุกข์จะกายทุกข์ใจมากเรื่องความทุกข์ตรงนี้อะมันหมดจากความเป็นสมบัติแล้วถ้าโคมากคือเนี่ยแมโนสมบัติใจเป็นสมบัติจะกลายเป็นมะโนวิบัติใจมันุกข์ จะไปต้องใส่สอะไรจีเนี่ยแต่ตผีมีจริงไหมสศตว์นกมีจริงไหอจุลกายมีจริงไหมเกิดจากการหลอกการ ล, ลวงการต้มการตุนสร้างความเป็นทุกข์ให้แก่ตนและบุคคลอื่นมันเกิดจากกิเลสตัณหาที่มีใน ใ, นใจบัณมันบังคับจิตใจ ทำแล้วอดีตสั้นควงเดือดร้อนให้ตัวเองและบุคคลนึ่งเพราะใจตรงนี้มันตายไม่เป็นก็มีแต่กผดังนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้มนุษย์ทุกชาติชัน้นวรรณะทุกเพศตัวไหวมารู้จักที่ไปที่มาจึงมีการตั้งใจเพื่อให้ใจตั้ง ฟังเทศคําสอนของพระพุทธเจ้าตั้ง ต, ติเพื่อให้ติ ต, ตั้งมารับรู้เรื่องที่ไปที่มารูปร่างกายของมนุษย์คนเราวาจาก็ดีจิตใจก็ดีเหมือนอย่างพวกเราทุกท่านทุกองค์ทุกคนกำลังฟังที่อาตมาได้เอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาอธิบายให้ฟังวันนี้ เมื่อตั้งใจเพื่อให้ใจตั้งตั้งสติเพื่อให้สติตั้งใจตั้งได้ดีสติตั้งได้ดีมันรู้ตัวสิเมื่อรู้ตัวแล้วค่ับพระพุทธเจ้าสอนให้ใช้ความฉลาดเพราะพวกเราทำความดีมามากพอึองควรศึกษาความรู้ศึกษามามากพอจงควร การศึกษาความรู้ทำความดีที่พวกเราทำมานะ้นมันพอนึกได้อยู่เอาสิ่งที่พวกเราทำความดี <c oughs> ศึกษาความรู้เอาความรู้กับความดีที่พวกเรามีจบการผ่านมานั่นแหลมาใช้ความฉลาดยถึง น, นั้นเกิดความฉลาดยแก ปัญหาทุกอย่างมันเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นเพื่อแก้งานทุกอย่างที่พวกเราทำนะก็ทำเพื่อแก้ปัญหาข้อสำคัญได้ว่าแก้ปัญหาให้มันเป็นแก้ปัญหาให้มันถูกเท่านั้นเดงความหมายนะถ้าแก้ไม่เป็นแก้ไม่ถูกยิ่งแก้ยิ่งยุ่ง ย, ยิ่งแก้ยิ่งเพิ่ม ปัญหาความทุกกายทุกใจเกิดขึ้นฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้มาฟังคําสอนของมพระพุทธเจ้าถิ่นธรรมศาสนาเพราะคําสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์สอนด้วยพระปัญญาญาณอย่างโลกฟังเข้าใจแล้ ว, ลวเราจะได้เอาคําสอนที่พระพุทธเจ้าสอนด้วยพัญญาอย่างรู้มาเสริมความรู้ใจของพวกเราเนี่ย ให้มันชิดในทางที่ดีที่ถูกกลายเป็นความคชิดที่มีความฉลาดโดยเฉพาะในขณะนี้ <c oughs> ที่พระพุทธเจ้าสอนพ่อปฏิบัติ <c oughs> ปฏิบัติคือการกระทานอกจากปฏิบัติคือการกระทาและปฏิบัติคือการรักษา เรามาเรียนรู้ในขณะนี้เราควรจะรักษาอะไรรักษากายของพวกเรารักษาวาจารักษาใจของพวกเราเพราะกายวาจาใจนี่มันเป็นสมบัติโรคสมบัติวิจีสมบัติมนโนสมบัติเมื่อพวกเรามาฝัง สิ่งที่ปรากฏขึ้นกับกายกับใจของเราเนี่ยกับวาจาคำพูดของเราเนี่ยควรไม่ใช่หลือควรที่จะมาปฏิบัติแก้ใ น, นสิ่งที่มันไม่ดีออกโดยจะพอใจทุกคนรู้ว่าใจของตัวเองเป็นยังไง มีความสุขความสบายมากน้อยขนาดไหนมีความทุกข์กายทุกข์ใจมากน้อยขนาดไหนพระสงองค์เนรทุบองค์รู้ตัวพี่น้องญาติยองทุกคนรู้ตัวดังนั้นเมื่อฟังเพื่อให้เกิดความจำเนึกอรู้ตัวเนี่ยถ้าตั้งใจได้ดีตั้งสติได้ดีอย่างที่ว่านี่ เหมาะที่สุดกับการที่เราจะมาแก้ปัญหาออกจากใจของพวกเราควรอย่างยิ่งที่พวกเราจะต้องการไม่ให้ปัญหาเกิดจากการกระทาทางกายจากคำพูดทางวาจาจากแนวชิ้ทางจิตใจฉะนั้นหลักศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ขึ้นเชื่อว่าปัญหาจะพกมากทกน้อยปัญหาจะมีมากมีน้อยพระพุทธเจ้าสอนในป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดจากการกระทำคำพูดด้วยแดยวคิดแบบทางโลกนเนี่ยปัญหาเกิดแล้วตามแกมันเป็นคนละเรื่องกัน คำสอนของพระพุทธเจ้าสอนป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันเกิดกับใครอยู่ที่ไหนเกิดกับตัวเองอยู่ที่ใจตัวเองแต่นั้นจะเป็นสิ่งที่ควรแกะเนี่ยลักษณะที่แก้กิจกรรมที่ควรแจ้ พระพุทธเจ้าสอนว่ามรรคคือการแก้มรรคคือเครื่องแต่มมรรคคือเส้นทางแนวทางการกระทาสำหรับด้วยจะแก้มัรชิมาเป็นหลักถ้าว่าแต่ว่าตามหลักแต่ เอาเข้าสู่ภาคปฏิบัติวรามะที่มาแปดอันนั้นกันยกไว้ท่าลงลงมาที่พวกเราควรจะเข้าใจแบบย่นยอ่อง่ายง่ายสลลงมาก็คือสิ่งใดที่เรียนรู้แล้วมันเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นบาปเป็นกรรม ใ ห, ให้เล่กให้เลียงอย่าไปทำอย่าไปพูดอย่าไปเช็ดอย่านำมาอยู่มาเีนมาใช้มาซอยเพราะเจนในสิ่งที่มันผิดมันจะเป็นโทษโดยเฉพาะเทศกาลรูปสงการที่เป็นห่วงทั่วประเทศทั่วบ้าน ห่วงอะไรห่วงการเดื่มน้ำเมาเมาแล้วหมดจิตมันจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุวันเดียวอยู่เทห่นั่นน่ะกันสี่ร้อยกว่าครั้งแล้วทำงานกระเพราะอะไรเล็ดแดงการเดื่มเข้าไปมันไปทำลายคุ ณ, ณธรรมคือจิตโทษขนาดไหน ฉนั้นถ้าเผื่อมาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไม่เหมาะไม่ควรอย่างยิงแทนที่จะมีความสุขความสบายจากกิจกรรมที่แสดงออกที่ไปที่มากลับเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นบาปเป็นกรรมควรไมหม ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ตั้งใจเพื่อให้ใจตั้งตั้งสติเพื่อให้จิตตั้งคำว่าตั้งใจตั้งสติเราจะไปเรียนรู้ไปฝึกเวลาไหนเอาเฉพาะในขณะ น, นี้ตั้งใจฟังเอ้ท่านเทศเรื่องท่านพูดเรื่องอะไรตั้งสติตระลึกรู้ท่านพูดเรื่องอะไรท่านเทศเรื่องอะไร ขวเทศนาเทส น, า, ทนานะ่ะเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกมาสอนองค์เทสนะถ้าเผื่อพวกเราตั้งใจฟังต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องตั้งจิตใจฟังมาต่อเนื่องต่อเนื่องสิ่งที่ท่านเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาพูดมาสอนเนี่ยมันจะเกี่ยวยองกับจีวิตความเป็นอยู่ ของพวกเราทุกท่านทุกองทุกค น, กคนมันต่างกันกับไม่ตั้งใจฟังนั่งอยู่เฉยๆเจียรติไม่ได้เป็นชิดอะไรร้อยแปดพันเรื่องไม่อยู่กับเนื้อกับตัวถ้าเตะก็ไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวมาชิดไปร้อยแปดพันเรื่องอันนี้คือเกีดตใจมันมีปัญหา ควรไหมจะปล่อยสมบัติอันลค่าของตัวเองใหามันเป็นอย่างนั้นความสับเนื้อทางจิตใจเมื่อตั้งใจตั้งติตรู้ตัวเลยไม่มีใครยินดีในลักษณะนั้นฉะนั้นการฝึกฝึกตั้งใจตั้งติตเออตั้งใจฟังท่านพูดเรื่องอะไร สิ่งที่ท่านพูดน่ะมันเกี่ยวเนื่องกับชีวิตความเราของเรามากน้อยขนาดไหนฉะนั้นกลัวจะรู้กวัวจะเข้าใจก <c oughs> ิจกรรมที่พวกเรามาเรียนมารู้มาเรียนมาฟังเนี่ยต้องอาศัยการฝึกฝึกใจฝึกตั้งใจฟัง ถ้าไม่อาศัยการตั้งใจฟังตั้งสติฟังอย่างว่าเนี่ยเจ็บเหม่อรอยร้อยแปดพันเรื่องยิ่งคิดยิ่งทุกยิ่งคิดยิ่งเสียคุณภาพของด้านจิตใจอันนี้คือสิ่งที่น่าห่วงตัวเองถ้ารู้ตัวละเหมาะอย่างยิ่งสำหรับจิตใจของเรา จะนเรียกแจ้ไขแจ้ไขให้แจ้ไขในลักษณะไหนที่เนี่ยเน้นถึงความดีของพวกเราความดีของพวกเราทุกท่านทุกองทุกคนทำมามากพอสมควรการศึกษาเล่าเรียนพวกเราเล่าเรียนมาดีมามากพอสมควร ให้เอาความดีจากการทำการเรียนน่มาตั้งเป็นความฉลาดเฉลาดดูใจมักคือเครื่องแต่งมักคือเส้นทางแต่งอะไรแต่งใจของพวกเราอันดับแรกแล้วก็มาแต่งวายจาคำพูดแล้วก็แต่งการกระทำทางกาย แต่งใจในขณะ น, นี้เรามาแต่งให้ใจของเราเข้าหาความดีให้มีให้มีความดีเกิดขึ้นอย่าให้มีแต่ชื่อคาว่าใจดีเาตั้งใจขึ้นมาดูใจตั้งตาติขึ้นมาดูใจคาว่าใจดีเออมันเป็นอย่างนี้ เดี๋ยวนี้เราตั้งใจตั้งสติขึ้นมาดูใจเห็นความดีของใจตรงนี้มากน้อยขนาดไหนกันเอนาช่วยเห็นแต่เรื่องไม่ใช่เรื่องความดีนี่จะเรียกว่าอารมณ์ถ้าเรียกอารมณ์คืออารมณ์ดีอารมณ์ดีกับอารมณ์ไม่ไม่ดีเป็นคนละเรื่อง ฉะนั้นพูดถึงความดี <c oughs> ที่พวกเราใช้ชีวิตผ่านมาตั้งแต่วันเกิดมานี่แหละผู้เป็นพ่อเป็นแม่ปู่ย่าตายายผู้มีบุญเอาความดีเข้าบำบุงทางร่างกายและจิตใจความดีที่ท่านเอาบำบุงนั่นน่ะถ้าเผื่อพวกเราไม่ตั้งใจตั้งสติรู ความดีนั่นจะไม่เห็นฉะนั้นการมาฟังมาฝึกคือมาฝึกตั้งใจให้มัฝึกตั้งใจขึ้นมาดูใจฝึกตั้งจิตสติแล้วลึกโลดูใจดูในลักษณะความดีนี่ก่อนเออใจดีอารมณ์ดีใจดีเป็นอย่างนี้ ถ้าใจไม่ดีมันเป็นอย่างนั้นเป็นสิ่งที่ควรแกเมื่อนึกถึงความดีของใจเห็นใจดีมีความดีอยู่ที่ใจตรงนี้เลยทีเดียเราจะตั้งใจของเราอยู่กับความดีตั้งติของเราอยู่กับความดีคือความดีของใจนี่ะอริยบทเยินเดินนั่งนอน มีตัติแล้วเลืดูดูตรงนี้ฉะนั้นอาการสร้างความดีทําความดีให้ใจเห็นความดีดีอยู่ที่ใจรักษาความดีที่ใจให้มันมากขึ้นท่านจึงสอนให้มีการภาวนาเลิกพุทโภพุทโธเลิกพุทโธอยู่ที่ใจก็จคือทําใจให้ดี เมื่อใจรู้ตัวว่าเออความดีอยู่ที่ใจมันมีลักษณะ น, น, นี้เพิ่มความดีขึ้นเพื่อการนึกภาวนาพุทโธถ้าเรานึกภาวนาพุทโธอยู่ต่อเนื่องต่อเนื่องอย่ามันขาดวักขาดตอนเห็นความดีการนึกนพุทโธต่อเนื่องต่อเนื่อง ความดีที่นี้พุทธโธเนี่ยจะมาเสริมความดีที่มีอยู่ที่ใจใจของเราจะมีความดีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแต่ฟังแต่ว่าใจดีความดีมีในใจคนใจดีกับคนใจหลายมันต่างกันไม่ใจฤกษ์คนใจดีกับกายเป็นคนดีเราต้องการเป็นอยากเป็นคนดีคนหนึ่งไหมใจฤกษ์ คนดีกับคนร้ายต่างกันคนละเรื่องเลยอันนี้ตังหากนะที่พวกเรามาฟังมาฝึกมาฟังคือการเรียนรู้เรื่องแก้ปัญหาทางจิตใจของพวกเราเป็นอันดับแรกถ้าเผื่อพวกเราไม่ได้มาักมาเรียนรู้เราจะไปหาความดีแต่ถนอ จะหาความสุขความสบายแต่ทางนอกอันนั้นก็ใช้แต่มันเลื่อนทางนอกความจริงมันมีทางข้างในด้วยความดีความสุขความสบายมันมีท่านข้างในข้างนอกมันเป็นปจัจจัยสิถ้าใจไม่ดีถึงจะมีปัจจัยอยู่ทางนอกมากขนาดไหน ปัจจัยส่วนที่เป็นเครื่องอาศัยนั่นน่ะมันก็สร้างประโยชน์กับจิตใจลูกร่างกายของพวกเราเนาี่ยไม่ได้ดีไม่ได้มากเท่าที่ควรฉะนั้นจึงพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เห็นคุณค่าจากสิ่งนี้ความดีให้มีที่ใจนี่ก่อนความสุขความสบายให้มีที่ใจนี่ก่อน ถ้าเรีนยนอยู่ในนี้ทเนี่ยความดีเอื่อนยังไม่เกิดมันก็เกิดขึ้นความุกความสบายอื่นยังไม่เกิดมันก็เกิดเกินจึงม า, าจึงมีการมาเรียนรู้เรื่องเพิ่มความดีเรื่องเพื่เรื่องเพิ่มความสุขความสบายจากกิจกรรมที่พวกเรากำลังฟังกำลังฝึกอยู่ในขณะนี้ จะว่าฟังธรรมธรรมคือความถูกต้องฟังเทศก็คือเอาหลักคำสอนของพระพุทธเจ้ามาดแสดงให้ฟังเทศานาเทศนาหน้าแสดงให้ฟังนาัานา่านก็านาพูดเรื่องของจิตใจของเราดังนั้นฉะนั้นส่วนที่มันมีปัญหามันไม่ได้เกิด จากความดีนะใจมีปัญหาเปนทุพุทธหน้อยเนะ่ยมันเกิดจากแรงเล็ดของกิเลสโลกกวดหลงตันหาแต่นั้นนะี่ยมีศีลมีธรรมจึงเป็นระบบควบคุมสิ่งเหล่านั้ น, นผ่านเข้าใจความหมายการฟังการฝึกต่อไปจะได้หยุดอธิบายให้พวกเราตั้งใจ ให้ใจตั้งตั้งสติให้สติตั้งเอาความดีเป็นหลักใจนึกให้ใจอยู่กับความดีให้เห็นความดีอยู่ที่ใจแล้วก็ใช้คำํำวิกรรมพุโทโธพุธโทโธใช้ตตินึกพุโทโธอยู่ในใจไม่ต้องบ อ, อกเสียงให้มันต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องเพื่อจะได้เสริมความดีที่ดีในใจมันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น เจ้าภาวดามาฝึกจิตฝึกใจให้เข้าหาความดีเพิ่มความดีที่มีในใจที่ที่มีอยู่แล้วมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเข้าใจความหมายเอ้าเมื่อทุกท่านทุกองทุกคนเข้าใจดั่งพาวดานึ้พุทโธพุทโธเป็นการเสริมความดีความสุขความดีที่มีในใจ โดยการนึกโฆษาพุทธหอพุทธวัึงทุกองคทุกคนตั้งใจทำกันต่อไปที่นี้ยจะได้หยุดอธิบายล <c oughs> ะเดีย๋ยวราพ่อถึงวนพ่อพวกฝึกใหม่ก็มีพอจะรู้จักาการฝึกกันตรงนี้ กลัวจะเข้าใจตรงนี้อาศัยการเวลาฝึกถึงยังไงยังไงก็ให้เห็นคุณค่าเห็นคุณค่าของความเป็นสมบัติของพวกเราโดยจะพอเกิดมาพบนี่ชาแนี้มนุษย์สมบัติเป็นสมบัติอันล้ำค่าไม่มีวัตถุจงใดในโลก จะมีค่ามีราคาเท่ารูปสมบัติของพวกเราจะเป็นชายก็าตามเป็นหญิงก็าตามวัดถัวในโลกอันนี้จะเป็นร้อยล้านพันล้านเขาต้องการเงินเขาขายได้เขามีเงินก็ซื้อได้รูปสมบัติของพวกเราแขนสองขาสองสีรษะอวัยว่าทุกสัดส่วนถ้าเผื่อพวกเรามาตั้งใจดีๆตั้งคติดีๆ นายกนางขอเขาจะมาขอซื้อขาตะข้างขอซื้อเขียนตะข้างประเมินราคาขายเท่าไหร่มันจะตัดขายได้เท่าไหร่มันจะขายไม่ได้เห็นไหมสิ่งที่มีคุณค่ามีราคาอยู่โรคสมบัติมโนสมบัติวิจิสมบัติของพวกเรา แต่ถ้าปล่อยให้สมบัติอัล้ำค่าของพวกเราทีมีปัญหามันไม่เหมาะมันไม่ควรตรงนี้ตัาหากนะที่พวกเรามีโอกาสมีเวลามาฟังมาฝึกมาแจ้ในสิ่งที่ควรแจ้มาทำมาเพิ่มเติมในสิ่งที่ควรทำความเพิ่มเติมผ่านเข้าใจ าวันนี้เห็นว่าพอจงควรแจ่เวลาเลิกเปลี่ยนในบทของใครของเราเอาที่เนี่พปกโยมเดิกไปก่อน